ب ิ سمILLAH ิ الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا ل م ِ ن و ب ه ِ ن س ت ع ي ن ا ل ل ه م ص ل ع ل ى م ح م د ٍ أ س ل َ م ع ل ي ك م و ر ح م ة اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ت ُ ه ُขอความสันติความจริญจากอัลลอ ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปซีริในวันนี้ทุกท่านวันนี้จบแล้วนะครับสุรยูซุฟมีทั้งหมดหนึ่งอสบอายะจบวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าขึ้นต้นสุรรัตใหม่สซตุนรัดูนะครับจะอ่านตานโซตุนรัดีนะเอ่อ วันนี้เกียร์ ย, ายาครับหนึ่งสอสาสี่ห้าห้าอะนะครับอายะที่ร้อยเจดร้อยแร้อร้อิแล้วก็อายะสุดท้ายอายะที่11 1, ของซุร้อยูซุปนะเวลาพูดถึงซรอยูซุปเนี่ยบางซุร้อเนี่ยมันต้นเช่นซุรออันฟาตีฮะซุร้อนตุนฟาติฮะมันจะมีอันลิบลามนะแต่ว่ายูซุปเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะไม่มีอันลิบลาม ฉะนั้นซุรัตุนยูซุฟจะไม่มีนะซุรัตยูซุฟไม่มีอั้นด้วยนะครับเวลาเรียกชื่อในเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้กล่าวถึงนบิยูซุฟอีกต่อไปนะแต่เป็นการขโมยแง่คิดแล้วท่านนบีก็ใช้แง่คิดตรงนี้เนี่ยบอกกับผู้ที่ตั้งภาคีพูดถึงชีวประวัตินบิยูซุฟมาหมดเลย นะะตอนท้ายเล่าจบแล้วก็มาบอกว่าสิ่งที่ได้จากซุลัยยุสุฟเนี่ยได้แง่คิดให้แง่คิดให้อะไรบ้างไอตัวเนื้อหาที่เป็นชีวประวัติจบไปแล้วนะครับอย่างที่เรียนให้พี่น้องทราบรก่อนว่าซุลัยยุสุฟมีลักษณะพิเศษหลายประการพูดได้ว่าเป็นซุะัยเดียวในกรอ่านก็ได้ที่นำเสนอในศาสนะของชีวประวัตินาะนตั้งแต่เด็กคนเดียวเลยไม่ ไม่เฉไปไหนเลยถ้าซี อ, อื่นเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงนบีนัวเดี๋ยวโยกกับมัลบีมูซาเอา้าแล้โยกกับไปพวกอาพดพวกซามูดมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เรียนตามลําดับนะตั้งแต่เล็กจนโตตัดไปตัดมาให้แง่คิดแต่ซีรี่ย์ูซุปเป็นซีรีเดียวในคุรานซึ่งทําไมเอ่ยเป็นชีวประวัติล้วนๆของนบียูซุปอะลัยสลามตั้งแต่เด็กเรียนตามลําดับจนกระทั่งถึงตอนจบซีรี่ อ, อื่นไม่มีแบบนี้ ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในชรอยูซุปที่บอกเป็นอัซซันกอซซ์เป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าฝั่งตรงข้ามที่ชัดเจนถ้าเป็นนบีอื่นมีนบีแล้วก็มีผู้ปฏิเสธตรงข้ามชัดเจนนะยันบีนัวมีผู้ศรัทธาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนบีนัวก็จมน้ําตายไปนึกออกไหมนะครับถ้าเป็นนบีฮูดก็มีฝั่งผู้ศรัทธา แล้วก็พวกอาดฝั่งตรงข้ามก็ถูกลงโทษไปเช่นเดียวกันนบีซอเละนะครับมันก็มีฝั่งตรงข้ามนะนบีชูอัยนบีลูดแต่นบียูซุปอลัยซาลามเนี่ยเนื้อหาไม่ได้มีแบบนั้นมีคนที่กระทำความผิดไม่มีแต่สุดท้ายกลับเนื้อกับตัวนะครับเช่นใครบ้างพี่น้องนบียูซุปตอนเด็กเดก อนบิยูซุปไปโยน์ในบ่นะแต่ว่าจากที่เราศึกษาเราเห็นลักษณะความดีงามบางประการในจิตใจของพี่ น, อน้องนบิยูซุปเช่นตะกรอนตั้งใจว่าจะฆ่าแต่ก็ห้ามกันไว้อย่าให้ถึงต้องฆ่าเลยยูซุปโยนในบ่ก็พอแล้วยังคนก็เก็บไปเองนิพพานบอกไหมนะครับตอนที่สัญญากับพ่อว่าจะพาบิ ญ, ญามีนไปคืนพ่อพอ บียมินถูกกักตัวไว้ที่อีกมีความละอายไม่กล้าไปพบพ่อไม่ได้ลักษณะเป็นคนเลวคนไม่ดีแบบแบบสุนโตกนะครับมีดีมีพาดบ้างนะเช่นเดียวกันนางสุลัยคอวางแผนยัว่วยวนน บ, บิยูซุปแต่สุดท้ายอันาราวัตุูฮูอันนับสียอมรับว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ยัว่วยวนน บ, บียูซุป อมีหลายคนพี่น้องเห็นไหมแต่ละคนแต่ละคนแต่สุดท้ายเนี่ยไม่เลยมีใครที่หลงเจ้าข้าท่านว่าหัวปักหัวปำสุดท้ายตาบัตรล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเช่นเดียวกันเมื่อพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องราวเป็นแบบนั้นการลงโทษชัดๆไม่มีพี่น้องแต่พี่น้องไปดูประวัตินบีท่านอื่นนบีมูซา่าลิสซาามเนี่ยฟ้าเราเอาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน้ําท่วมตายกันหมดนึกออกไหมฮะ น้ำท่วมนี้นี่คือข้ามทะเลแดงน้ำทะเลแดงท่วมนะครับพวกอาฟามูดพวกกลุ่มชนนาบีรูดพวกนี้ถูกลงโทษหนักๆเสียชีวิตทั้งหมดตายจำนวนมากแต่ในประวัตินาบียูซุปไม่ปรากฏเหตุการณ์แบบนั้นเป็นลักษณะซึ่งทำไมเอ่ยลักษณะซึ่งต่างจากเหตุการณ์นาบีองค์ก่อนนะนาบียูซุปมีอะไรพิเศษอีกเยอะนะครับในช่วงนี้เช่น สุร้อนนี้เป็นสุร้อนที่กล่าวเกี่ยวกับบันีึอิสราอินตรงๆเหตุการณ์เกี่ยวกับบนันทอิสราอินเนี่ยเราจะพบส่วนมากเป็นดบีมูซาพบเยอะเลยนะครับหลังจากช่วยออกมาจากฟิราอาลแล้วเนี่ยทำนู่นทํำนี่นะฝ่าฝืนถามเยอะนะครับเช่นเรื่องการเชิดวัวในสรุรบะกะระสุรานบียูซุปเนี่ยกลับมาอธิบายต้นกําเนิดของบนออันีอิสราอิน นะเพราะว่าบานิสราอินคือลูกหลานของนบียะกุบอะลัยซ์สลามก็คือยูซุปกับนบีนบียูซุกับพี่น้องนี่แหละคือต้นเาเรียกว่าต้นกำเนิดของเผ่าบานิสราอินทั้งสิบสองเผ่าไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมบานิสราอินโดยตรงอย่างประวัติ น, นาบีมูซาแต่พูดถึงต้นกำเนิดว่าสิบสองเผามายัางไงพี่น้องสิบสองคนแตกเป็นสิบสองเผ่า นะครับในรายละเอียดแค่เล่าใหน้องฟังแล้วนะไม่ใช่ทุกเผ่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นต้นตระกูลนะครับเพราะว่า เ, ออเลวีนะครับหรือลาวีพี่น้องนาีอซุบคนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ดูแล ว, วิหารเกี่ยวกับศาสนสถานไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในสิบสองเผ่าแต่ว่าลูกลูกาีอซุบสองคนแยกออกมาเป็นสองเผ่าะนะก็ครบสิบสองพอดีอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิด ความสามาาถของนา บ, บียูซุปเนี่ยนะครับโมจิจาร์ที่มีสิ่งที่อัลลอฮประทานให้ไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่ามหัศจรรย์แล้วก็เหนือกฎธรรมชาติอย่างนา บ, บีมูซาร์นี่แยกทะเลนึกออกมนะครับเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาตินะอย่างใครล่ะ เอ่อนบีนัวน้ําท่วมท่วมหนักท่วมโลกหรือว่าท่วมเฉพาะบริเวณนั้นก็ค้องขานที่จะเหนือธรรมชาติแต่นาบิยูซุปเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เป็นวิชาความรู้ตะวีรุนอาหารดีการทํานายฝันอ่ามันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แบบไฟยเย็นแบบนายบิบรอฮีมไม่ใช่แบบนั้นชุบชีวิตคนตายแบบนบีอีซาอะไรที่เรามองว่าเป็นมหัศจรรย์ นบียรูซุปมันจะมีแบบนั้นแต่มีความรู้ความสามารถฉะนั้นวิชาความรู้ความสามารถพี่น้องเป็นสิ่งที่ทำไมละ่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐแก้ปัญหาได้แล้วก็เนี่ยนำทุกคนมาจบด้วยดีในซรอนนบียรูซุอ่านแล้วสบายใจเพราะว่าตอนจบมีความสุขพี่น้องดีกันมีการให้อภัยกันแล้วก็อยู่ด้วยกัน อ่านแล้วสบายใจสุรยุท์ยูซุปไม่มีการสูญเสียไม่มีใครต้องตายไม่ต้องโกรธแค้นกันไม่มีการลงโทษที่หนักหน่วงนะครับเพราะต่อไปเนี่ยหลังจากสุรยุซุปแล้วจะมาเห็นประวัติละเอียดแบบนี้เนี่ยไม่มีนะอาจจะสุรนี้มีห้าอายะสุรอนุมีหกอายะแต่จะมารวมกันในสุรเดียวแบบนบียุทธุปสุรยูซุปไม่มีหนาอาญาติที่ร้อยเจ็ดครับ เอเลสตัดว่าแบบนี้ครับอัฟอาอะมีนูอันตะเตียหุมโอเชียตุน ม, มินอาดาบิลละนะอัลฟอาอะมีนูนะครับเอเลสถามว่าพวกเขาจะปลอดภัยกันนั้นหรืออามีนูไม่ใช่อามานูนะอามานูอันนั้นศรัทธาอามีนูเนี่ยแปลว่าปลอดภัยนะครับอ้าไม่ใช่อานะเอเลสตั้งคาถามว่า antatiyahum g กเขากาชีย์ตุนจา a b i l l a ลถ้าอดาบของอัลลอฮ์มาเนี่ยการลงโทษของ อ, องลัลลอฮ์มาพวกเขาจะปลอดภัยกันนั้นหรือนะครับตั้งคำถามไปที่พวกมุสริกผู้ที่ตั้งปากีอดาบของอัลลอฮ์การลงโทษของ อ, องลัลลอฮ์พี่น้องในอายะนี้ใช้คำน่าสนใจมากใช้คำว่ากาชียะกาชียะแปลว่าอะไรเนี่ยมันปกครอง มาแบบทุกทิศทุกทางมาทุกด้านเวลาการลงโทษขอร่อมาน่ยพี่น้องมาทีมาทุกด้านไม่รู้จะหนีไปไหนถ้ากลับไปดูปาบาวนบรีโนอะเิสซามเวลาน้ำท่วมนี่ยพี่น้องไม่ได้ท่วมหน้าบ้านไม่ได้ท่วมบางจังหวัดตอนนี้ทีไทยเพชรท่วมอยู่นะท่วมนี่ท่วมหมดเลยหนีไปบนเขากันอ่านลูกนบีนน่หนีไปก็ยังไม่พน้น นะครับเช่นเดียวกันพกนอาผู้สมูทรกลุ่มชนนบีรูดเวลาการลงโทษมาเนี่ยไม่รู้จะหลบที่ไหนทั้งทั้งที่มีที่พักพิงที่แข็งแรงอยู่ในภูเขาขุดอยู่แต่มันมาหมดเลยการลงโทษคุมไปทุกด้านสุดท้ายหนีไม่พ้นนะรอเชียการลงโทษขอรอเวลามาแล้วเนาะมาแบบปกคุมเลยมาทุกทิศทุกทาน ามาด้านเดียวกันตานได้มาทางนี้หนีออกทางนู้นมาทางนู้นหนีออกทางนี้นะแต่ทําม า, มาแบบรอเชียมาทุกทิศทุกทางหนีไม่พน้นถ้ากลับไปดูพวกมุชลิกในนครมักกะผู้ที่ตั้งบากีนในนครมักกะเวลาที่อลัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยพี่น้องไม่ได้ศูนพันนะแต่ว่าลงโทษหลายด้านพวกมักกะเวลาเป็นศัตรูกับมุสลิม นะครับขับไล่บรรดาผู้ศรัทธามปที่บันดินาแล้วสุดท้ายการลงโทษผลเสียที่ตัวเองได้ได้รับในพี่น้องหลายด้านหนึ่งสูญเสียชีวิตในสงครามบาดาลหัวหน้าตัวใหญ่ๆเลยเสียชีวิตไปหลายคนนะสูญเสียด้านเศรษฐกิจเส้นทางที่จะเดินขึ้นเหนือไปพี่น้องเธอพี่น้องเคยไปทําพัดในมักกามาอยู่ทางใต้ใช่ไหมาแล้วก็เดินขึ้นเหนือไปผ่าบันดินะ เป็นเส้นทางค้าขายสมัยก่อนหน้าหนาวไปไงหน้าหนาวหนีลงใต้ร้อนกว่าหน้าร้อนหนีขึ้นเหนือแค่ น, นี้พอเส้นทางที่ผ่านไปเนี่ยมันไปอยู่ใกล้มาดีนะพอเป็นศัตรูกันแล้วกองคาราวานก็มีปัญหาเดินทางผ่านไปได้มุสลิมดักอยู่พอเดินขึ้นเหนือไม่ได้สินค้าที่จะมาขายทางใต้ก็ไม่มีระบบการค้าขายในนครมักกะพัง นะครับชีวิตสูญเสียเศรษฐกิจสูญเสียนะการเมืองก็สูญเสียสูญเสียยังไงบ้างพี่น้องในตะกอนรครมักกนนะากเป็นจุดศูนย์กลางของข้าวสมุนอาระเบียใครจะผ่านไปผ่านมาให้เกียรติชาวกูเรชเพราะว่าเป็นผู้ดูแลกาบะนะมีพันธมิตรเต็มไปหมดเลยได้สิทธิพิเศษก็คือว่าไม่มีใครปนเนสราอันกูเรอชร อ, อีลาฟิกูเรช ความปลอดภัยเกิดขึ้ น, นกับชาวกูเรชเพราะเกียรติยศในการดูแลกาบ ะ, ปะไปไหนคนก็มาอยากป้นเพราะทำไมล่ะต่อไปก็ต่อมาทําพัตติกาบามาอยากป่นคนพวกนี้ moment, ดูแลกาบาอยู่ให้เกียรติแต่ว่าพอเป็นศัตรูต่อมุสลิมปุ๊บแบ่งเป็นค่ายมีพันธมิตรบางเผ่าเป็นพันธมิตรต่อมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เป็นพันธมิตรต่อมุสลิมบางเผ่าเป็นพันธมิตรกับพวกมักกะ แล้วก็ตอนที่มุสลิมมีความเข้มแข็งมากขึ้นพวกมักกะก็สูญเสียพันธมิตรหลังจากถูกพิชิตในการพิชิตมักกะแล้วเนี่ยพันธมิตรเหลืออยู่นิดเดียวเข้าข้างมุสลิมหมดอาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเป็นอุลลิฟน์อุ ล, อลูเป็นพันธมิตรต่อมุสลิมหลังจากพิชิตมักกะก็มีสงครามฮูเนนแสดง ว, ว่าพวกที่เหลือจากพันธมิตรมักกะรวมตัวกันต่ อ, ตอสู้ครั้งสุดท้ายต่อมุสลิมแล้วก็พ่ายแพ้ สูญเสียทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนะี่ยเป็นอเชิยะแบบหนึ่งเหมือนกันนะสูญเสียการลงโทษความสูญเสียที่มาในทุกแง่มุมนะครับการลงโทษของเราจะมีมาแบบนี้ครับอาต้ติยาหุมุนอาต้ติยหุมุซาอารตูบักตะตันหรือว่าทำไมเอ่ยการลงโทษที่จะมา นะบักตะตันบักตะตันแปลว่ากระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งตัวว่าหุมลายชรูนโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นการลงโทษของอลัลลอฮ์เหมือนกันมาแบบรอเชียหนีไม่พน้นมาทุกอย่างเลยนะอันนั้นหนีไม่พน้นบักตะตันในหน้ากลัวตรงไหนหน้ากลัวตรงที่ว่าไม่ทันได้ตอบบ้า ขอบางอย่างถ้าไม่กระทันหันเนี่ยมีระยะเวลาเตรียมตัวบางทีกับเนื้อกับตัวทันแต่ถ้ามาแบบกระทันหันต่อบ้าไม่ทันอันนี้ก็เป็ น, นหน้ากลัวเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มชนที่นายบียูนออุสอะเลฮิสลามเดินทางไปเผยแพร่นบียูนะุสเตือน้วยนะถ้าไม่เชื่อสี่สิบวันการลงโทษจะมานะครับพู้ี้ไม่เชื่อ นา บ, บิยุนุสเสียใจเดินทางออกไปแต่ว่าเวลาก้าจะถึงสี่สิบวันแล้วมันมีสัญญาลักษณ์โผล่มามีเมฆดำ ม, ดมีนู่นมีนี่คนในเมืองนึกถึงเฮ้ยนาบิยุนุสเคยเตือนไว้ตวบัตกลับเนื้อกลับตัวสุดท้ายการลงโทษไม่มาอ่าอันนี้ไม่ใช่บัคตะตันไม่ได้มาแบบกระทันหันยังพอมีเวลากลับเนื้อกลับตัวนะครับผมอ่านอายนี่นพี่น้องนึกถึงดูอาบทหนึ่งนะครับเป็น ดูอาร์บทนี้ขอความคุ้มครองจอากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากการลงโทษทุกด้านเลยนะพออ่านคําว่ากอร์เชียนึกถึงดูอาร์บทนี้นะครับพูดนิดนึงนะครับดูอาร์บที้เป็นฮันดิสซาฮิยารายงานโดยท่านอิบรามบุคารีนะครับบางคนเคยได้ยินนะอลัลลอฮมุมะฟัสนีอลัลลอฮ์โปรดปกป้องฉันมินไบนียะไดายาปกป้องข้างหน้าของฉันอะไรที่จะมาไม่ดีต่อหน้าฉันเนี่ยปกป้องวอมินคัลฟี ข้างหลังฉันนะทุกด้านเลยนะครับหัอัญญามีนีด้านขวาของฉันหัวอัญชีมาลีด้านซ้ายของฉันหัวมินฟาวกีด้านบนของฉันวัวอูรูบีอัลซอมติก้อันอุกตาและมิน ต, ตัดตีนะปกป้องข้างล่างด้วยการองโทขอร้องบางทีมาข้างบนมาข้างล่างมาข้างขวาข้างซ้ายบางทีมาแบบโรเชียมาทุกด้านทุกมุมเราก็เลยขอความคุ้มครอ ง, อ ง, องจอากอัลลอฮฺ จะเป็นหน้าเป็นหลังเป็นขบนข้างล่างซ้ายขวาทุกด้านเลยนึกถึงดูอาบทนี้นะครับพ่อคำว่ารอชียาในสร้อยยูสุฟอ้าต่อมาในะอายาที่หนึ่งแดนะครับเนี่ยคิดจะ107ยเจนะการล้โตขรรเลระวังนะ้าจะมีสองแบบแบบทุกด้านรอชียาวงกลมไว้กระดาเป็นคีย์เวิร์ดนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าบัตะบักตะตันเนี่ยมาแบบการทันั ในอายาที่หนึ่งร้อยแปดครับอลัลลอฮตรัสไปว่ากุลจงกล่าวเถิดอลัลลอสั่งนบีมูฮัมมัดจงพูดแบบนี้ครับฮาดฮีซาบีลีนี่คือแนวทางของฉันอัดดูอิลลอแนวทางแบบไหนละ่ะไม่ใช่แนวทางการค้านะไม่ใช่แนวทาง อย่างอื่นแต่เป็นอัลลอฮอิลลฺแนวทางที่ฉันทําไมเอย่ยทําการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺทำการดาว่านี่แหละอัลลาบัซีรอตินด้วยความชัดแจ้งความประจักษ์แจ้งคําว่าบาัซีรอนะครับเคยเรียนสีฟัสยี่สิบไหมอันบัซซรูอัลลอฮฺทรงเห็นนี่แหละบอซอตเนี่ยแปลว่าการมองเห็นการใช้สายตานะ สี่พันยีสิบก็เป็นประเด็นมีประเด็นนะครับผม <laughs> <laughs> ไม่พูดแล้วกันนะครนี้อะไรละ่ะเวลาที่ท่านนาบีเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยอัลาบัซรอตินด้วยกับความชัดแจ้งในความหมายภาษาไทยช้คำว่าอย่างประชักแจ้งอันน่ะตัวนบีกระทำแบบนี้วอมนิตตะบานีและคนที่ปฏิบัติตามฉันก็ก็ทำแบบนี้ อายาี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าหนทางที่เราจะได้ว่าเรร้องผู้คนมาสู่อัลลอฮ์เนี่ยบาซีรอให้ใช้ชหลักฐานที่ชัดแจ้งนาบิมะมาอั น, อนุุยะอวานีิคะหลักฐานที่ชัดแจ้งนบีทำแบบนี้วาบานิตตาบะอานีและบรรดาซอฮาบะก็ททำแบบนี้ เช่นเดียวกันคนที่ปฏิบัติตามนาบีก็กระทําแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะหลังจากนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยรัชทูนไม่มีแล้วใครจะได้วะฮีเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ว่ามนานิตะบานีคนที่ปฏิบัติตามฉันหมายถึงปฏิบัติตามนาบีเนี่ยเวลาที่จะดึงผู้คนมาสู่อลัลลอฮ์ใช้บาซีร์ใช่หลักฐานที่ชัดแจ้ง ชี้แจงอธิบายให้เข้าใจฉะนั้นการโจมตีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยพี่น้องไม่ใช่สิ่งที่ฮาดิฮิสบีรีไม่ใช่หนทางของฉันนะศรัทธาเกิดขึ้นจากการยอมรับหลังจากที่ทุกอย่างชัดเจนชี้แจงให้ฟังแล้วยอมรับแล้วก็ศรัทธาบังคับใครไม่ได้ การสร้างความเป็นศัตรูการสร้างความโกรธเกลียดไม่สามารถทําให้คนศรัทธาต่ออิสลามได้มีแต่ความเป็นศัตรูนะครับพออ่านถึงตรงนี้เนี่ยก็โยงไปถึงอายะอื่นในอายะที่เรอ่านนะครับโยงไปถึงอายะที่หนึ่งร้อยสี่ในสุรานอาอิมรานวันตะกุลมินกุล ม, มุนมาตุ น, นอายะตนะูในอิลันไครนะอุมมะเนี่ย จงเป็นอุมมาซึ่งเรียกร้องคนไปสู่ความดีห้ามปามความชั่วอันไม่ได้อยู่ในนี้นะครับอยู่ในอายาที่สี่ในสุรอาณอิมรอนนะหน้าที่การได้ว่าี่จบไปแล้วในบีหายไปแล้วไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่อวมานิตตาบะอันีคนที่ปฏิบัติตามฉันเป็นหน้าที่ของอุมมาทั้งหมดเลยเมื่อกี้ที่ยกมาในวินาเป็นอายาที่ร้อยสี่ในสุรอาณอิมรอน แต่ถ้าย้อนกลับไปในสอลตีหนึ่งร้อยสามเนี่ยนะครับว่าตัสมูบิฮับลิน ล, ลาจะมีอันยึดสายเชื่อกคอแล้วให้มันคงอย่าแตกแยกกันมันต่อเนื่องกันพี่น้องจะเป็นกลุมมมากที่นำความดีเนี่ยซาบีลีแนวทางของซาบีไปเผยแพร่ น, นียพี่น้องก่อนจะถึงตรงนั้นต่อบิฮับลิน ล, ลาจะมีอันมีเอกภาพก่อนถ้าแตกกันอยู่แบบนี้พี่น้องนะ ตัวเองก็ยังสอนไม่แล้วนะครับไปสอนคนอื่นมันก็ลำบากเกี่ยวข้องกันนะครับว่าสุบฮานลลอฮิวะมาอันนัินม่นันมุชริกินมหาบรสุดแด่อัลลอฮ์ฉันนั้นทำไมเอย่ยไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนี่คือคำว่าสุบฮานละลอฮเวลาแปลเป็นไทยในพี่น้องเขาชอบแปลกันแบบนี้มหาบรสุดแห่งอัลลอ์ นนผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเขาใจยังไงมหาบริสุธดแห่งอลัลลอฮ์เนี่ยแปลว่ายังไงอ๋อคนไทยเดี๋ยวละถามกันเลยมหาบริสุดแห่งอลัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าไงแปลในะทางภาษานะี่ยไม่ผิดพี่น้องแต่ว่าขออนุญาตอธิบายนิดนึงคนแปลใช้สำนวนนี้ก็ไม่ผิดนะพราะไม่รู้จะแปลยังไงสุบฮานลัลลอห์นะครับที่ว่าอลัลลอฮ์บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีทั้งหลาย ตัวนี้สําคัญมากอิสลามเน้นมากตา่อฮีตการตั้งภาคีสุบฮานอัลลอฮ์เวลาที่มีการกราบไหว้เจ้าต่างๆนะแล้วบางทีก็พยายามยึดโยงว่าอันนี้เป็นลูกของล้อบ้างเป็นเขาเรียกว่าร่างอวตารของพระเจ้าบ้างแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งของล้ออะไรกันแล้วแต่เนี่ยสุบฮานลลอัลลอฮ์อัลลอฮ์เบอตุสจากสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่ามีการกล่าวอ้างกุเรื่องขึ้น ใส่อัลลอฮ์ในสิ่งที่ไม่สมควรสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์บรรุสุดจากลักษณะเหล่านี้มีลูกมีหลา น, ม, นมีนู่นมีนี่สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีแบบนั้นนะครับอัลลอฮ์บริสุทธิ์ไม่พอท่านนบีบอกว่าวามาอันามินันมุชริกีนฉันก็บริสุทธิ์นะคนที่ต่งางภาคีทั้งหลายในยฉันไม่ได้เป็นหนึ่งจากคนพวกนั้น บรรดาอบีก็เน้นเหมือนกันในฐานะที่เรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์ไม่มีภาคีตัวเองก็ไม่ใช่คนที่ตั้งภาคีเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราไปศึกษาชีวประวัติคนต่างๆของโลกในพี่น้องในอดีตบางทีเราก็ย้ายเข้าเปนา็นอับีเพราะเขาเขาเรียกว่ามีอิมแพคต่อผู้คนนะแตค่คนที่เป็นอบีอาจจะดึงคนที่เหลือมาเป็นนับีได้ให้สังเกตแล้วกันถ้าว่าตัวข้อนามาจากคนข้างหลังมีลักษณะาการตั้งภาคีเนี่ยไม่ใช่นับบี ถ้าเรียกร้องมาสู่การกราบไหว้ตัวเองเหมือนจะเป็นภาคีเนะี่ยไม่ใช่น บ, บีนะครับแต่ประเด็นตรงนี้ก็ตัดสินยากเพราะไงล่ะสมัยก่อนเขาไม่ทําเพึ่งมาทําสมัยหลังอันนี้ก็เป็นประเด็นโตถียงทางวิชาการแต่ชัดๆเลยนะครับการตั้งภาคีไม่เกี่ยวกันหรอกเบร์สุดจากการตั้งภาคีคือไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆและบรรดานั บ, บีก็เช่นเดียวกันไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีทั้งหลาย คนกระถามว่าทาไมนบีมุฮัมมัดทำไมอยู่ที่มักกะไม่ได้ทําไมต้องพยบล่ะทําไมต้องทํำนู่นทํานี่ทําไมต้องมีปัญหาเพราะว่ามักกะมีการตั้งภาคีเกิดขึ้นนบีไม่สามารถประนีประนอมในประเด็นนี้ได้นบีทำทำดีต่อญาติไม่ทําดีต่อญาติมีคนเจ็บป่วยมีคนแก่นบีไปเยี่ยมเยียนถึงข้อจะไม่ใช่ผู้ศรัทธามีปฏิสัมพันธ์ได้แต่ว่าในทางศาสนาไม่เอา นะที่ว่าละกุมดีนกุมวะลียดีนในโซอันกาฟิรูเนี่ยมาถึงประเด็นทางศาสนาถ้ามีการตั้งพาคีไม่เอาจะอื่นได้ก็ขายเงาะเราซื้อเงาะได้นะเราขับแท็กซี่เขาเป็นผู้โดยสารได้แต่ด้านศาสนานะไม่ได้นะครับไม่ขอตั้งภาคีด้วยตั้งที่มีการประณีประนอมจากชาวมักกะหลายต่อหลายครั้งมูฮัมหมัดเอาไหมละ่ะแลกกัน แกอิบาด้าพระเจ้าฉันฉันอิบาด้าพระเจ้าแกแลกก็ไม่หลับว่าอัลลอฮ์จะเป็นเจ้าอีกองค์ก็ได้นะมาตั้งที่มัคกะเจ้ามีเต่ไม่หมดจะเพิ่มเจ้าของอิสลามอีกองคหนึ่งก็ไม่แปลกหามุมมาเลยปั้นดุบอัลลอฮ์ขึ้นมาก็ไปตั้งเดี๋ยววาระตว่ากับตว่าเดีกันก็ต่างคนต่างไหวฉันก็ไหวเจ้าฉันไหวเจ้าแกแกก็มาไหวด้วยก็อยู่เดียกันได้สันติสุขแต่ว่าพอเป็นการตั้งภาคีแล้วว่ามาอานามินันมุชริกีนนบีบอกแบบนี้เอาด้วยไม่ได้ นะครับด้านศาสนานาะไม่ได้ดันปฏิสัมพันธ์ในฐานะมนุษย์ด้วยกันต่อมาครับในอายะที่หนึ่งร้อยเก้าอัลอฮ์ตัดไว้ว่าหัมาอาร์นามินกอบลิก้าเราไม่ได้ส่งนามินกอบลิก้าก่อนหน้าท่านอิลล่าวินเซตแต่ริยาลันนูฮีอิลัฮิมคนที่อลัลลอฮ์ให้วะฮีนูฮีอิลัยฮิมคือให้วะฮีกับเขา มินอะลินกุรอจากชาวเมืองเมืองนั้นอันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันบางคนบอกว่าอาริยารันตัวนี้แปลว่าผู้ชายฉะนั้นที่ส่งมาเนี่ยมินนบีมีเฉพาะผู้ชายหลักฐานจากอารยานี้จริงๆคําว่าอาริยารันตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชายนะครับมาถึงคนทั่วไปที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยที่เป็นนบีเนก็เป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่มล า, ายกาแต่ว่าพิเศษหน่อยคือให้วะฮี ตรงนี้เป็นจุดยืนซึ่งนบีมุฮัมมัดพยายามย้ำเลยอานาบะชะฮมิสตูกะมิสตกุ่มฉันคือฉันคือมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกท่านแต่ว่าเป็นนบีในวันนี้เนี่ยเพราะอะไรล่ละเพราะได้วะฮีจากอัลลอ์ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากนาบีเป็นสมุติเทพมาลายกะ้ามเป็นคนเหมือนเดิมแหละแต่แค่ได้วะฮีนะ อายะตรงนี้บอกว่ามินกอบลิกา้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนแบบนี้มาแลว้วมีดับีแบบนี้มาแลว้วริยาดันเป็นคนทั่วๆไปนี่แหละมินอาลินกรอนอกจากเป็นคนธรรมดาแลว้วก็เป็นคนในสังคมทั่วไปอันกรอแปลว่าหมู่บ้านบางคนบอกว่านาบีต้อเป็นชาวเมืองเท่านั้นแจริงไม่ใช่นะนบีมีท่านอาลุนกรอชาวเมืองในมุสลิมันได้เป็นชาวเมืองนะ แม้ว่าตอนเด็กๆจะถูกส่งไปที่อยู่กับแม่นนมพาริมาสแต่ว่าโดยพื้นฐานเป็นคนชาวเมืองนะครับนบีที่เป็นชาวแบบบัตตวีชนบทมไม่มีนบียากูปเนี่ยในประวัติตรงนี้ถิ่นฐานที่นบียากรูปตั้งถิ่นฐานอยู่เนี่ยเป็นบันดูเป็นชนบทนบีมีทั้งอยู่ในเมืองทั้งชนบทคำว่าลินกรอตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชาวเมืองแต่ว่ากรอตรงนี้ให้แปลว่าชุมชนแปลว่าสังคม คนที่เป็นนบีเป็นคนธรรมดาและก็เป็นชาวเมืองเป็นคนในชุมชนคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันดีแล้วไม่ใช่คนที่ไหนพอหันไปดูแล้วทราบว่าคนๆนี้ไม่ได้มาจากฝากฟ้ า, านบีมุฮัมมัดเนี่ยพ่อเป็นใครทราบแม่เป็นใครทราบใครเป็นกูมันทราบใครเป็นอามันทราบพู้ประกาเวลาดูนบีมุฮัมมัดจ้ทราบหมดเลย เพราะว่าปัญญาตัตวเองทราบไปถึงปู่คนที่หกที่เจ็ดนู่นไล่ถึงอัมดุลมนาบไปถึงนู่นฉะนั้นนบีอัลก็เป็นอินกรอเป็นคนในชุมชนนั่นแหละไม่ได้คนแปลกหน้าเป็นคนธรรมดาและเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่อยู่ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของคอนสังคมนะครับถ้าเรามองตรงนี้เราย้อนกลับไปในอายที่ร้อยแปดนะนบีบอวกุนฮะีสบีลี แนวทางในการเผยแพร่ของท่านนาบีนะนบีอานาฉันนธรรมวอมนิตตาบานีและคนที่ทำตามฉันก่อนาดาเนินแนวทางแบบนี้เป็นคนธรรมดาพี่น้องถ้าจะเผยแพร่จะสอสนศาสนาเป็นรียลันเป็นคนธรรมดาถ้าเอาวิเศษออกมาจะผู้คนพี่น้องลงไปถึงสังคมจะไม่ทราบปัญหาเขา วันนี้ทานนักวิชาการคนจะทํางานเผยแพร่จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่พี่น้องถ้าแยอ่ออกจากสังคมนะจะไม่เข้าใจปัญหาให้เป็นอาริลกรอเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมในชุมชนนั่งนั่นบางทีเวลาที่เราเผยแพร่อิสลามนด้วยกับเจตนาที่ดีพี่น้องเราไม่ยกปัญหาจริงที่เกิดขึ้นขึ้นมาพูดปัญหาในสังคมนี่แหละใกล้ๆตัวแต่ยกปัญหาใหญ่ เช่นจะฟื้นฟูอุมมาดีไมด่ดีแต่ว่ามองข้าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมปัญหาอีสองวันก็นเป็นปัญหานะจะแก้ยังไงกันแล้วแต่นะครับคนติดยาเสพติดในสังคมในหมู่บ้านที่เราอยู่ในซอยบ้านก็ยังมีอยู่ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้อย่าทิ้งไปแล้วก็มุ่งไปสู่ปัญหาที่เป้าหมายที่ใหญ่เช่นจะฟื้นฟูอุมมา จะปกปล่อยเลสตายดีไ ม, ดม่ดีพี่น้องแต่ว่าอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆตัว น, นั้นไปหลายคนเวลาพูดถึงภา ร, รกิจที่ยิ่งใหญ่มีความฮึกเหิมคนหนุ่มสาวอยากจะฟื้นฟูอุ ม, มาณบีฟื้นฟูคิราฟะฟื้นฟูอะไรกันแล้วแต่แต่ว่าไม่ได้เป็นคนหนึ่งในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม แถวแถวบ้านมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมียาเสพติดมีสีนาเกิดขึ้นไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นมุ่งไปนู่นมุ่งไปที่ปาเลสไตน์ดีไม่ดีขอดูอาให้ได้นะครับแต่ว่าอย่าลือปัญหาที่มันอยู่รอบข้างถ้ายึดตามนายบีนะต้องเป็นนาริยาลันเป็นคนธรรมดานี่แหละแล้วก็มินอาลินกุรอเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมอย่ามองอะไรที่เกินตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ห้ามนะเลยปาเลสไตน์เรื่องฟุ่ฟูกุมารเนี่ยดีไม่ดี แต่ว่าอย่ามองข้ามอะไรที่ไกลตัวบางทีอยากจะให้อุมมาเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มาอัพพี่น้องเาเลยที่โกรธกันวันนั้นว่ากันกระทบกระทั่งกันเนี่ยยังไม่มาอัพกันเลยพี่น้องเราจะทําให้ประชาชาติผู้สิประสานกันเป็นหนึ่งเดียวแต่คนที่เราโกรธเนี่ยห้าวันแล้วหนึ่งปีแล้วยังไม่ให้สลามกันเลย นะพอมองข้ามอะไรที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช่อารินกรอไม่ใช่คนคนหนึ่งของสังคมไปอยู่ในสังคมสมมุติสังคมจริงๆออกห่างต่อมาครับในอายนี้ยเาลาะตัดว่าอัฟฟรัมยาซิลฟินอาร์ ด, ดิี้นะอาอเลาะบอกว่าเอาในภาษาไทยเนี่ยผมว่าน่าจะแปลผิดนะครับเอ อ่าถูกถูกเอาเราบอกว่ามีได้ซีรูฟินอาร์ดีเวินไปตามหน้าแผ่ดงดินฟยันซูไกฟกานาะอากิบาตุลเลดีนาบิงกอบลิฮิมแล้วก็ไปดูไปพิจารณาว่าการลงโทษของคนก่อนหน้านี้เนะี่ยเป็นยังไงสูงเจ้าไม่ได้ทำแบบนี้หรือเดินทางไปตรงหน้าแผ่งดินแล้วก็ไปดูว่าสถานที่บางสถานที่เนี่ยเวลาเาล่อลงโทษเป็นยังไงไม่ได้ทาแบบนี้หรอนะครับ อายาตรงนี้ก็เป็นประเด็นทางวิชาการเหมือนกันนะถ้าดูตามอายานี้เนี่ยเป็นความหมายโดยภาพรวมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตั้งคาถามไม่ได้ทำหรอแปลว่าให้เดินทางไปดูซีรูฟินอาร์ตีสถานที่นะครับฟายันจูไกฟกานาอาคิบะตุลลาดีนามิงกับลีฮิมแล้วก็ดูซิไอคนที่ถูกลงโทษมันเป็นยังไงดูเพื่อให้ได้แง่คิด อายาแบบนี้ถูกการไนก็อ่านหลายครั้งนะครับเช่นโซตุ น, น้าอายาที่หกสเนะเหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนคํานิดหนึ่งอาฟาลัมยาซิลูฟินอารดิฟยัซูไกฟากานนอากิบาตุนมุจริมีนคนที่ก่อความผิดเนี่ยถูกลงโทษยังไงถูกการในโซตุ น, น้าอายาที่หกสเช่นเดียวกันโซอันอิมรอนนะครับอายาที่ไอโซอันอันอามอายาที่สิอ็ด ไก่ฝากานาไกานาอาคัตุนมกีบนให้ไปดูจุดจบของคนที่ปฏิเสธเป็นยังไงนะอายะละักษณะแบบนี้เนี่ยมีหลายอายะในอายะนี้ก็เหมือนกันให้ไปดูซิคนก่อนหน้านี้เนาะเป็นยังไงปัญหาก็คือว่ามาประเด็นสถานที่ที่ถูกลงโทษเนี่ยอิสลามห้ามไปเยี่ยมหรือเปล่าแต่ก่อนมีประเด็นพระว่าฮุดยารเวลา แซ่เนี่ยเวลาพาไปาทำพัดทาอุ้มร้อนเนี่ยก็จะพาเยี่ยมประเทศอาหรับใช่ไหมพาไปไคโรบ้างพาไปนู่นไปนี่ประเด็นคือพาไปจอแดนแล้วมันมีบาหุนมายดอันนี้เป็นประเด็นก็เถียงกันอยู่บารุนมายิดก็คือเดซีนาเนวิชาการส่วนมากลงความเห็นว่าเป็นที่กลุ่มชนนบีรุตถูกลงโทษนี่แหละที่ว่าพลิกแผ่นดินเลยนะ่ยแผ่นดินจมเลยเนี่ยกลายเป็นบารุนมายด์เข้มมากนะปัญหาคือ ไปเยี่ยมได้ไหมนักประชาการบางคนบอกว่าโอ้น บ, บีห้ามเพราะมีฮัตติซอเฮียนะครับและตอนตุคูลูมาสากินั่นนาดีโอลามูอันฟุซาฮุมอย่าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งทําไมล่ะคนพวกนั้นเนี่ยทำไมซเลมต่อตัวเองห้ามเข้าอินดาอันตะกูนูบากินเว้นเสีแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะร้องไห้จะลาลึกฮัตติสบทนี้เนี่ยเหมือนจะห้ามซอฮเฮีย ด, ด้วยนะเพราะว่าอย่าเข้าไป มีทิ้งท้ายอายะทิงทายอะติสหนอ่อยอินละอายะอันตะกูนูบากีนเวนเซตแต่จะเข้าไปแล้วเนี่ยจะร้องไห้ใครควรแต่ว่ามาดูอายะนี้แล้วก็อีกสองอายะที่ผมยกไปเนี่ยคล้ายกับเป็นคาสั่งเราสั่งมาเอ้าไม่ได้ทำหรอไม่ได้ไปดูสถานที่ที่ถูกลงโทษหรอกว่าเขาเป็นยังไงเหมือนจะขัดแย้งกันสุดท้ายไปเยี่ยมได้ไหมอันนี้เป็นปัญหา ถ้าดูประกอบกันทั้งอายะตัวอ่านแล้วก็ทั้งหะดิษเนี่ยนะครับไปได้แต่ว่าไปแล้วเนี่ยทำไมละ่ะไปเยี่ยมเพื่อให้ได้แง่คิดอย่าไปเพื่อท่องเที่ยวอย่างเดียวไอ้คนเดซีเวลาทาหน้าทาตัวเขาบอกมันจะผิวสวยใช่ไหมไปก็ไปทาอย่างเดียวเลยนะครับไปให้ได้แง่คิดด้วยนอกจานั้นไม่ได้ห้ามแบบเด็ดขาดนะครับแต่ว่าไปแล้วอย่าไปแค่ท่องเที่ยว ไปให้ได้แง่คิดในขดิษฐหนลงท้ายทิ้งไว้ไว่าอิละอันตะกูนูบากีนเว้นเสียแต่อย่าเข้าไปนะเว้นเสียแต่เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีการร้องไห้หมายถึงใขค้ควรแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้ถ้าอธิบายแบบนี้ก็ไปได้กับอายาณีอายาที่ร9อยเกาสรอยูซุปแล้วก็อีกสองอายาที่ผมยกมาสุ่าเดซีไปได้ไหมไปทำพัดด้วยเดซีได้ไหมได้ แต่ไปอย่าตั้งใจว่าแค่ไปท่องเที่ยวนะครับให้แง่คิดด้วยถ้าร้องไห้ได้ยิ่งดีนะนั่นคือพื้นที่ที่ผู้ที่ฝ่าฝือออนอรรรนั้นถูกลงโทษไว้นะครับ <S <S 1> <S 1> มันมีหลายที่อย่างในโลกอาล่าเราไปแล้วเนี่ยคือเราเป็นคนไทยนะบอกไามไปแล้วก็อยากไปเห็นการูเนี่ยอยู่ในกุานแล้วมันถูกลงโทษยังไงก็อยากจะเห็นคนชอนอบิลูกก็อยากจะเห็นไปเนี่ยอยากจะเห็นมันก็มีฮะดิ ษ, ษที่ว่าอยากเข้าไปตรงนั้น แต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามเด็ดขาดห้ามในที่นี้คือถ้าเข้าไปแล้วได้แง่คิดอนุญาติใ้ทําอายะห์กูอ่านตัวนี้ก็เหมือนกันการเดินทางเปหน้าเป็นทินเลอกไปดูสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปเพื่อได้แงคิดถือว่าปฏิบัติได้นะครับจะได้ไม่ต้องเออลำบากใจมากอยากจะไปแต่แม่ฮันติส์มันบอกว่าอย่าเข้าไปเข้าไปได้ไปเพื่อเอาแง่คิดนะครับถ่ายรูปก็ถ่ายได้คือไม่ต้องเครียดมากถ่ายรูปก็ถ่ายได้แต่ว่าอย่างน้อย คนที่นำไปก็สมควรใช้แง่คิดนิดนึงนะครับมาเยี่ยมตรงนี้เนี่ยได้ประโยชน์กลับไปนะนี่เป็นองคมฟิกจริงๆผมไม่ค่อยกล้าแต่เรื่องฟิกเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญเผอเอิญว่ามันผ่านกันเลยพูดได้ฟังนะครับในท้ายอายะที่ร้อยเก้าครับวลาดารุนอาคิราไครุนอลัลลอ์บอกว่าโลกอาคิราานั้นไครุนดีกว่าลินลาดีนัตะเก้าอาฟาดาตากิรูน สำหรับคนที่มีความยำเกรงมีตักวาอาฟาลาตากิลูลสูเจ้าไม่ได้ใช้ปัญญาหรอกหรือนะครับเวลาที่ไปดูสถานที่เหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเจริญความรุ่งเรืองที่มีเนี่ยเป็นอนดีตไปหมดแล้วบ้านเรือนของกลุ่มชนนบีลูดตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบแล้วอาจจะสลายกลายเป็นเกลือดิคนเอามาทาตัวก็ได้ นะครับอาร์สมุตไปหมดแล้วถูกทำลายหมดแล้วฉะนั้นดารุนอาคิร่าโลกอาคิร่านั้นใครรุนดีกว่าถาวรกว่าผู้ที่ปฏิเสธอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เฟื่องฟูสุขสบายแต่ว่าสู้กับดารุนอาคิร่าไม่ได้ขวมาก้าเคยเป็นศูนย์การของข้าวสมุทอาระเบียยิ่งใหญ่จนกระทั่งว่าคนอิจฉา อ่บราฮามที่กองนองนำกองทัพช้างมาทําลายคาบะมาด้ยวยความอิจฉารุ่นรุนมักกรามอยู่ไปได้ยังไงคนมาตลอดเลยเนี่ยอยากจะมีแบบนั้นบ้างอี่สร้างไว้คนก็ไม่มาทําลายต้นฉบับซะเลยนะได้ดีจนกระทั่งคนอิจฉานี่ยพี่น้องแต่อย่างไรกันแล้วแต่มักกรามสุดท้ายถูกพิชิตและกลายเป็นเมืองที่มุสลิม ทำไมละ่ะคนมุสลิมทั้งโลกเดินทางไปทำวิธีหัจจ์นะสถานที่ตรงนั้นจะมีบราร์กัดอยู่แต่ว่าพวกมุชริกเนี่ยที่เคยคิดตัวตัวเองมีอํานาจมีข้อได้เปรียบทางสังคมสุดท้ายถูกมุสลิมพิชิตถูกคนที่ไล่ไปเนี่ยให้หนีอพยพหนีไปเนี่ยลีภยัยถูกผู้ลีภยัยกลับมาพิชิตพี่น้องมัวฮันยรินกับอนันซอดกลับมาพิชิตมากกะ ฉะนั้นท้พิจารณาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พี่น้องอะไรกันแล้วแต่สุดท้ายแพ้อาคิราะนะมาใช่ดุนยาให้ทิ้งไปนะแต่ว่าอาคิราะดีกว่าเวลาจะทำอะไรพี่น้องครับเผื่ออาคิราะไว้บกักทำงานหาเงินกันผมก็ทำงานหาเงินพี่น้องทำงานหาเงินก็ดีพี่น้องนะมาใช้ใจ่ายในครอบครัวแต่เงินบางส่วนถ้าถึงนิสสอบมันก็มาจ่ายอกาศ ถ้าไม่ถึงนี่สอบอยากได้บุญก็มาจ่ายสตระกอสการผ้าบังคับสตระกอภาคสมัครใจดุลยาก็ได้ทํางานได้เงินได้ใช้ใจ่ายได้ซื้อของซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าในขณะเดียวกันอาคิระองก็ได้เพราะทรัพย์สินบางส่วนเอามาสตระกอไม่ต้องสตระกอหมดกระเป๋าวีน้องเท่าที่มีความสามารถเพราะว่าทําไมล่ะเป็นการฝากเงินไว้ปันผลอาคิเร้องผลบุญมากกว่า ในอายะที่110ครับฮัตตาอิัสตัยอัซันรุสุลนะจนกระทั่งเมื่อบันดารอสูนเนี่ยมีความท้อแท้วอร์จอนูอันนะหุมก็ตกุซิบูเพราะว่าท้อแท้เพราะว่าอะไรครับบรรดามุชริกีนเนี่ยทำไมเ อ, เอ่ยปฏิเสธยาหุมนัสรุนาวันุจิยะมันนาชา นะแล้วอัลลอฮ์ก็ทำไมเอ่ยให้การช่วยเหลือลงมาแล้วก็ทรงช่วยเหลือบุคคลที่พระองค์ประสงค์เนี่ยให้รอดพ้นจากการลงโทษความดื้อดึงนะพี่น้องนะเกิดขึ้นจนกราทั่งว่าบรรดาผู้ที่ทําหน้าที่บรรดาข้าศูนเนี่ยมีความท้อแท้เกิดขึ้นสอนยังไงก็บหม่จําตัวอย่างเช่นท่านนาบียูนุสอลัยสลามอย่าแปลว่าทิ้งหน้าที่ไม่มีอามานะนะแต่มีความท้อแท้ เพราะทำไมล่ะปฏิเสธเหลือเกินแต่สุดท้ายยาอุมนัสรุนาวนุจิยามันดชาเมื่อการช่วยเหลือเขาอรอมาถึงอลัลลอ์ก็ทำให้บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นผู้ศรัทธาคนที่อลัลลอ์ประสงค์รอดพ้นจากการลงโทษสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราทราบประวัติศาสตร์ยิ่งถ้าไปเห็นเนี่ยพื้นที่ที่เคยถูกลงโทษ เราก็จะนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีคนตายที่นี่ถูกลงโทษที่นี่แต่ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ประสงค์นั้นทําไมเอ่ยนุดเยียมันนาชาอัลลอฮ์ช่วยให้รอดพน้นมีแหละพวกสมุติก็มีกลุ่มนบีซาเลี่รอดพน้นพวกอาตมีกลุ่มนบีฮุต่รอดพน้นพวกชาวสะดูมมีกลุ่มชนนบีลูต่รอดพน้นชาวมัตยันมีกลุ่มชนนบีชูไอ้ที่รอดพน้น นะครับที่อียิปต์เอง่ชาวบันิสรา อ, อินอัลลอฮ์ก็ช่วยให้รอดพ้นนะพอเห็นแล้วนึกถึงนะครับนี่ไปเพื่อไดแง่คิดนะไม่ผิดเวลายุรดุบะสุนาอันนินเกามินมุจริมินบะสุนาบิมะนาอาดจบเมื่อการลงโทษของเอามาถึงเนี่ยลายุรดต่มันจะไม่ถูกต้านทานไม่ถูกผลักกลับไป ก็คือไม่มีใครช่วยได้พูดง่ายๆนะครับอันนึงกลาบิมุชริมีนสําหรับบุคคลกลุ่มชนซึ่งทําไมเอย่ยเป็นผู้ที่กระทําความผิดเวลาการลงโตษของล้อมันแล้วพี่น้องพระรู้จะช่วยยังไงมาว่ายมาแบบแบบรอเชียมาแบบทุกทิศทุกทางเนี่ยจะช่วยยังไงถ้าเป็นฟิรอาอุนเนี่ยเราอยู่ในสภาพการแบบนั้นจะช่วยยังไงน้ํามันมาทะเลแดงน้ำมาประกบกั น, นจะช่วยยังไง มองอคนที่อคนนี้ก็ช่วยไม่ได้มอยคนคนั่น้คนนั่นก็กลัวขี่ม้ามาม้าก็จมน้ํารถก็จมน้ําไอ้คนจะช่วยก็จมน้ําด้วยกันรอเชียามาแบบทุกทิศทุกทางเช่นเดียวกันธรามาแบบบัคตาตันมาแบบกระทันหันใครก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวเดีย๋ยว่าจะช่วยกันเลยนะต่อรบถก็ยังไม่ทันเลยมาแบบกระทันหัน ฉะนั้นเมื่อการลงโทษมาถึงทําไมเอ่ยคนที่รอดพ้นคือคนที่อลัลลอฮฺประสงค์ให้รอดพ้นไม่ได้รอดพ้นเพราะความสามารถตัวเองนะเตรียมการไว้เยอะมาเกียามัดกัามาจะได้ไม่ตายมีกลองชูชีพเดี๋ยวนี้มันมีเยอะ ม, มีเตียงมีน้องเห็นไหมเขาทาขึ้นมาความปลอดภัยแหละเวลาพันดินไหวปุ๊บตกไปในเตียงเลยปิดฝาเรียบร้อยมีนาม้ามีอาหารอยู่ได้สองเดือนอ่าวกวากันไปนะครับมีบอลลูนตะกอนในช่วง จะสิโลกหนึ่งเก้าเก้าเก้าอเนี่ยสองพสิบสองเนี่ยขายดีน้ํำท่วมมันก็อยู่ในบอลูนลอยไปเรื่อยเงียหงมงียหารมีน้ําเตรียมไว้เยอะคนที่รอดพ้นเนี่ยเป็นคนที่เอาล็อกประสงค์นะมันจะคนที่เตรียมตัวถ้าเป็นการลุกโละรอดเนี่ยพอดีผ่านมาดูทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่รอดสักคนนะนะครับหวังว่าผมกับพี่น้องเป็นคนที่เอาล็อกประสงค์ให้รอดพน้นทั้งในดุรยาแล้ก็อาคีระอายะสุดท้ายในสรุรอยุซุภนะครับ แล้วก็กาหนาฟีกอส์ซซีฮิมในเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยความพวกเขานะครับอิบราตุนเป็นอิบราเป็นแง่คิดหรืออุลิตอัลบาแก่บุคคลซึ่งใช้สติปัญญาตรงนี้สำคัญมากเล่าทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ใช้ปัญญาพี่นอ้องมันจะเป็นความเพิดเพลิน เรายู่สู้กัเป็นนิทานเล่มหนึ่งเรื่องหนึ่งเล่าแล้วมันเพินมีการประเทืองใจเขาเ้อะปะเทิงจิตใจนะถ้าจะเสพแบบนั้นเราจะไม่ได้อิมราะเหตุการณดบีนอัตดาร์บีมูซานาบีต่างๆถ้าเสพเพื่อความประเทืองใจเราจะไม่ได้อิมเพราะไม่ได้แง่คิด แต่เราบอกว่าคนที่บุญอุลิณอัลบาบคนที่ใช้สติปัญญาใขขควรแล้วก็คิดตามได้แง่คิดได้แง่คิดพี่น้องคนที่ใขขคมยเนี่ยบันที้ก็เป็นคนที่ศึกษาเป็นคนที่สอนพี่น้องทราบไหมผมมาสอนหนังสือเนี่ยได้ประโยชน์ผ ม, มรู้ผมว่าได้ประโยชน์เยอะตัวผมนะได้ทวนด้วยพออ่านแล้วก็ได้คิดตามด้วยได้แง่คิดเยอะ นะครับพี่น้องก็ได้ผมก็ได้ไม่รู้ใครได้มากกว่ากันหละนะต่างฝ่ายต่างได้เพราะว่าเรามาไดมองเหตุการณ์เหล่านี้เป็นแค่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เราต้องการมองว่าได้แง่คิดอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นในื้อยูซุปแง่คิดเยอะไปหมดพี่น้องความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงนะครับเรื่องเพศเนี่ยจีนาไม่จีนาในปัญหาหนักนะคนด้วยวันนี้พี่น้อง บางทีก็ห่างจากจีนาไม่เยอะบางคนก็ผลาดทําจีนาเพราะอะไรล่ะเรื่องระหว่ังเพศในพี่น้องโอ้ยเลี่ยงกันยากนาบียูซุฟยังโดนนบียูซุฟยังโดนนะครับนบียูซุฟพูดเองเลยอินันนับซาละอั ม, มารตุลปิโซจิตใจคนเนี่ยเอ็งไปสู่ความชั่วนบีพูดเองไม่ใช่คนธรรมดา น, นาบีนะวาระเกิดขึ้นแล้วแต่ความรู้สึกตรงนั้นเอ็นไปสู่ความชั่วตอนที่นายซวยคอโ ย, ว ย, ว ย, วยวู่นบยูซุฟ ฟาฮัมมาบีฮานบียูซุฟก็มีอะไรเกิดขึ้นในใจเหมือนกันแต่ว่าอัลลอฮ์ปกป้องเป็นแง่คิดนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนบียูซุฟจบด้วยดีเพราะนบียูซุฟให้อภัยเป็นแง่คิดปัญหาที่เกิดขึ้นตอนจะยูซุฟไม่ให้อภัยครอบครัวไม่กลับมาถ้าไมา่ให้อภัยนะไม่มีใครสบายใจเรื่องนี้พี่น้องก็ไม่ได้ทำการอาภัยนบียูซุฟก็ขาดครอบครัว ทั้งๆที่คิดถึงพี่น้องคิดถึงพ่อแต่ถ้าม่ให้อภัยจะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันที่อิบเป็นอิบเพราเป็นแง่คิดเยอะคนคิดเยอะได้แง่คิดเยอะนะครับผมที่มาสอนพี่น้องก็เท่าที่มีความสามารถตรงไหนเป็นแง่คิดก็พยายามให้แต่แต่คิดแยอะวันนั้นมันก็มีอีกนะครับนักชาตการหลายท่านก็มีแง่คิดด้านอื่นนะฉะนั้นผู้ที่ใช้ปัญญาคิดเยอะได้แง่คิดเยอะยิ่งคิดเยอะยิ่งได้ประโยชน์เยอะ มากาณ์ดีันยุฟตระไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะยุฟตระไม่ได้แต่งขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยขอมาอย่างแต่งขึ้นเพื่อให้ง่ายคิดแต่เรื่องในบิยุซุปเป็นเรื่องจริง<ม>เช่นนิทานอีศพให้แง่ายคิดให้แง่คิดแต่ว่าแต่งขึ้นสิงโตหนูมามาช่วยสิงโตอะไรทำนองเนี่ยสิงโตกับหนูจะไปพูดกันได้ไงล่ะนึกออกไหม เจนตนาดีแต่ว่าแต่งขึ้นเพื่อให้แง่คิดแต่ในก็อ่านซึเรายูซุปเนี่ยให้แง่คิดด้วยแต่ว่ามาการนักขดีทันยุทธ์ต่อไม่ใช่สิ่งที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนา้นานบีนํามาเล่าทําไมเอ่ยเวลากินตัสดีก็ละเีไมได้ยาไดที่เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่นบีนํามาเนี่ยเป็นเรื่องจริง ก็อ่านเป็นเรื่องจริงนบีบมุ h ั m m a d เป็นศาสนาทู่จริงๆหัตับซีลกุลละชัยกุหลหรืชัยอินนะสิ่งที่นํามายืนยันในความเป็นนบีของนบีบมุ h ั m m a d และกับทับซีลมาอธิบายกุหลหรืชัยอินทุกสิ่งนะครับ ว, ว่าฮูเดาะูดาแปลว่าทางนําเป็นทางนําด้วยวารามะมัตันและก็เป็นความเมตตาด้วยลิกาเมนยูมีโนนนะครับ สำหรับกลุมชนที่ที่ศรัทธานะสิ่งที่เกิดขึ้นในโซลยูซุกนะครับผมก็มาเดี๋ยสอนทุกอายะพราะวาสาบกันไปนะครับพี่น้อมงมาคนก็มาเดีมาทุกวันแต่หวังว่าเราจะเป็นอุลิลอัลบาเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาผู้ที่ใช้ปัญญาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะว่าจะฉลาดจะโง่จบสูงไม่จบสูงไม่เกี่ยวนะนะครับอันนั้นเป็นการวัดผลใบปริญญาเป็นการวัดผลแต่ว่าเรามีสติปัญญาทุกคน นะครับคิดแล้วได้แง่คิดสิ่งที่เกิดขึ้นให้แง่คิดอะไรบ้างในบีท่านหนึ่งยูซุฟอะลิสลาม์ผูกทดสอบตั้งแต่เป็นเด็กปีนก่น้องโยนไปในบอ่อผ่านเขาเรียกว่าแต่เป็นภาษาไทยกับผ่านเคราะห์กรรมเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยผ่านการทดสอบอยู่ในคุกกันแล้วโดนขายเป็นทาสกันแล้วโดนผู้หญิงปั้มกันแล้วนะโดนใส่ร้ายกันแล้วสุดท้ายยังคนให้อภัยได้ นี่คือน บ, บียุซุฟอลัยฮิสสลามให้แง่คิดผมพี่น้องใช้ปัญญาตึกตองดูนะครับอยากจะเน้นเยอะเรื่องการให้อภัยเพราะว่าในสังคมตอนนี้ขาดการให้อภัยนะฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับอ บ, บิลละฮิตาฟวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกะด